บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะาแห่งมหาสติปทานสูตรที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นในตอนที่ว่าด้วยกายานุปัสนาสติปฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูที่กายของตนนั้น ได้ทรงแสดงไว้เป็นหมวดหมวดเพื่อสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติจะเลือกไปประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมคล้อยตามจะดิตอัธยาศัยของตนดังนั้นจะพบว่าในการเลือกเฟ้นกรรมฐานที่จะนำมาเป็นอารมณ์สำหรับกำหนดจลึกนั้นผู้ปฏิบัติจำต้องอาศัยหลักของสัปายะที่เรียกว่า สัมปชัญญะสัปปายะสัปปายะสัมปชัญญะญญคือความรู้เรื่องว่าอะไรเป็นที่สบายแก่ตนหรือไม่เป็นที่สบายที่เริ่มต้นด้วยเสนาสนะคือสถานที่สำหรับบำเพ็ญเพียรทำความสงบในด้านจิตใจข้อนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเข้าสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความสงบขึ้น ข้อนี้พึงดูตัวอย่างแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเองก่อนที่จะบำเพ็ญเพียรในด้านจิตใจก็ได้เลือกหาสถานที่คือรุเวลาเสนา น, นิคมโดยทรงเห็นว่าสถานที่นั้นกลางวันไม่มีคนพลุกพล่านกลางคืนไม่มีเสียงรบกวนใกล้แม่น้ำและในตอนเช้าจะเสด็จพิขาจารย์วินทะบาดก็ไม่ไกลจนเกินไปสถานที่ในลักษณะนี้ ก่อให้เกิดเป็นกายจวิเวก ค, คือความสงัดเงียบในด้านของร่างกายต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารสัตว์ป่ายะคืออาหารที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปอย่างที่ทรงใช้คําว่ารู้จักประมาณในการบริโภคภัตตาหารในการบําเพ็ญเพียรทางจิตเนื่องจากไม่ต้องใช้ยแรงกําลังมากอย่างการทํางานอย่างอื่นจึงทรงกําหนดวิธีการรับประทานอาหาร ด้วยการฉันอาหารเอาไว้ว่าสําหรับผู้บําเพ็ญเพียรในด้านจิตใจแล้วก็ให้สังเกตการรับประทานอาหารเมื่อเห็นว่าอีก4ีคําจะอิ่มแล้วก็ให้หยุดดื่มน้ำํำจะทําให้กายของบุคคล น, นั้นเบาเมื่อกายเบาแล้วก็ให้เกิดเป็นความพร้อมที่จะปฏิบัติในด้านจิตใจเต่างหากว่าอาหารมากเกินไปใจก็จะตกไปฝ่ายของทีนามิทะซึ่งเป็นนิวรณ์อีกข้อหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าอาหารน้อยเกินไปก็จะตกไปฝ่ายอุทจกักกุกุจะซึ่งเป็นนิวร์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันการปฏิบัติกรรมฐานมุ่งสงบหรืองับนิวร์เพราะงั้นปัจจัยอะไรก็ตามที่เป็นเหตุเป็นสื่อให้เพิ่มนิวร์ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นก็ต้องพยายามขัดขดจัดปัจจัยเหล่านั้นออกไปข้อต่อไปก็เกี่ยวกับอุตุคือลักษณะของอากาศที่เหมาะควรพอจะ ทำให้ควบคุมจิตใจให้สงบอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานได้ไม่ใช่หนาวจัดร้อนจัดลมกระโชกแรงหรือฝนตกเป็นต้นซึ่งถ้าอยู่ในเรื่องเหล่านั้นในภาวะเช่นนั้นจิตใจของคนก็จะไปใส่ใจถึงเรื่องภายนอกมากกว่าอารมณ์ของกรรมฐานบุคละสปายะบุคคลที่เข้าไปเกี่ยว ข, อข้องคบหาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมว่าจะต้องมีลักษณะเกื้อกูลกันอย่างที่ท่านใช้คาว่าเป็นกัลยาณมิตรกัน คือมีอุปการะแนะนำชักชวนกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์เป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจและตัวอารมณ์ที่เรียกว่าธรรมส ป, ปายะคืออารมณ์กรรมฐานนั้นเมื่อ น, น้อมนำมารลดึกแล้วก็ให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นการที่ได้เคยกล่าวมาหลายครั้งแล้วว่าแท้ที่จริงอารมณ์ของกรรมฐานนั้น ที่พระพุทธเจ้าต้องจำแนกแสดงออกไปวิจิตพิสดารเป็นส่วนของสมถะกรรมฐานถึง40ิวิปัสสนากรรมฐานถึง72งนั้นไม่ใช่เพราะอารมณ์มากแต่เนื่องจากความหลากหลายทางด้านจิตใจของบุคคลคนเรามีพื้นเพออัตยาใสาจริตแตกต่างกันหรือเกินมากบ้างน้อยบ้างกรรมฐานบางอย่างแม้คนอื่นเป็นนั้นมากปฏิบัติแล้วสาเร็จประโยชน์ ขอให้เกิดเป็นความสงบเป็นสมาธิเป็นฌานขึ้นไปตามลำดับแต่คนบางคนไม่อาจทำได้เพราะไม่ถูกกับจริตเรืออทธยาสัยของตนทำให้ขาดสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัพพายะดังนั้นในมหาสติปัฏฐานในสูตรพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงอารมณ์ของกรรมฐานโดยสรุปไวถึงย1กลุ่มด้วยกันแต่เป็นการปฏิบัติในลักษณะที่เป็นปัจจัยสนับสนุนกันได้ ข้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานชุดแรกจึงเริ่มที่อนาปานปป ะ, ะคือหมวดที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าออกนั่นก็คือเรื่องของอนาปานาสติกรรมฐานที่กําลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่นั่นเองและเนเื่องจากเรื่องของอนาปานาสติกรมฐานได้พูดผ่านมาถึงสองครั้งดังนั้นในที่นี้จึงจะพูดเฉพาะบางประเด็นที่จะเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติโดยสรุป อนาปานาสติเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นนันมากบางครั้งทรงแสดงไว้เป็นสูตรโดยเอกเทศทีเดียวและเป็นวิธีทางที่จะนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้เริ่มจุดจากอนาปานาสติกรรมฐานและบรรลุมรรคผลในพานได้ในที่สุดโดยไม่ต้องแยกไปบำเพ็ญกรรมฐานข้ออื่นและยิ่งขึ้นไปกว่านั้นในกรณีที่เกิดปัญหาทางการปฏิบัติอนาปานาสติกรรม ในการปฏิบัติกรรมฐานของภิกษุหรื อ, อบาสุบาสิกาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่ากรรมฐานเหล่านั้นท่านเหล่านั้นปฏิบัติไปแล้วไม่สงบก็จะแนะนำให้มาจับที่อนาปานาสติกรรมฐานะะเพราะอะไรเพราะว่าอนาปานาสติกรรมฐานนั้นแม้จะคล้อยตามจริตอัธยาศัยของบุคคลสองประเภทคือประเภทที่เป็นวิตกจริต คือคนที่คิดมากกับโมหะจริตคือมีความล่มหลงซึ่งซึมไม่ค่อยมั่นใจอะไรในตัวเองแต่ในขณะเดียวกันจริตอีกสประเภทคือพวกสธาจริตมีปกติเชื่อง่ายพวกพุทธิจริตมีความคิดเียบแหลมพวกราคะจริตรักใค่พวกโทสะจริตหงุดหงิดและพวกที่มีความคิด ไปในเรื่องต่างๆทึ่งเราเรียกว่าวิตกจริตนั้นก็สรุปแล้วมันก็เรื่องของคิดทั้งนั้นคือพวกราค่าจริตก็คิดถึงเรื่องรักใคร่พอใจผู้โทสะจริตก็คิดไปในเรื่องที่ไม่ชอบผู้ศรัทธาจริตก็คิดไปในเรื่องที่เชื่อพู้พุดที่จริตก็คิดไปในเรื่องที่ตนต้องการจะขบจะเจาะให้เกิดความแตกแาะในเรื่องเหล่านั้นลักษณะของความคิดมันก็คือเรื่องของวิตกแต่วิตกเจาะลึกลงไปในเรื่องนั้นๆเท่านั้นเอง ดังนั้นเมื่อมาปฏิบัติกับอนาปานสติกรรมฐานซึ่งเป็นปฏิปักษคือตรงกันข้ามกับความมิตกตรึกนึกไปในอารมณ์ต่งตางๆและให้มาตรึกนึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวอนาปานสติจึงกลายเป็นกรรมฐานที่เหมาะสมแก่บุคคลทุกชริจึงเป็นกรรมฐานที่มีการปฏิบัติแพร่หลายกันโดยทั่วๆไปไม่ว่าในที่ใดในยุคสมัยใดก็ตามตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแั้วนั้นก็เป็นอีกประการหนึ่ง อีประการหนึ่งมีลักษณะที่วางไว้เป็นรูปแบบของการปฏิบัติตั้งแต่สถานที่อิริยาบทที่ใช้ท่านั่งเป็นต้นโดยทรงแสดงไว้ว่าให้บุคคลหาที่สงัดเงียบที่เป็นกายไยเวกดังกล่าวแล้วนั่งคู่บันหลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าออกยาวสั้นของตนเป็นต้นไปซึ่งก็หมายความว่า การปฏิบัติอนาปานสติกรรมฐานนั้นมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างของการประพฤติปฏิบัติกำหนดด้วยอริยาบ ท, ที่เด่นชัดที่สุดก็คือการนั่งคู่บันลังตั้งกายให้ตรงเพราะอะไรเพราะเกี่ยวข้องกับการดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกลมหายใจเข้าและหายใจออกมัก็เกี่ยวข้องอยู่กับร่างกายซึ่งต้องผ่านเข้าไปจากจมูกลงไปถึงนาพีถ้าหกวิริยาบทที่นั่งไม่มีลักษณะให้มองเห็นลมได้ชัด สติก็ไม่เกาะอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่เดินขาเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้และในชั้นของผลคืออนิสงฆ์เองพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเอาไว้เป็นอันมากโดยเฉพาะอานิสงฆ์ที่คนสามารถสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติอนาปานาสติกรมฐานประการแรกก็คือทำให้จิตใจมีความสงบ ถึงในประเด็นนี้ก็ทั่วไปแก่อารมณ์ของกรรมรัฐานทั้งหลายที่สําคัญก็คือมีความประณีตคือจิตใจมีความประณีตละเอียดคนนี้จะสังเกตได้ด้วยตัวเองเวลาปฏิบัติกรรมฐานอยู่บ่อยๆกระทําอยู่บ่อยๆมีการกระทําที่สืบเนื่องไปเวลาไปเกี่ยวข้องกับบุคคลกับเรื่องราวกับเหตุการณ์ที่มีลักษณะหยาบๆก็ไม่ต้องการที่จะฟังเรื่องราวหลดนั้นมันมีลักษณะคล้ายๆกับว่า เป็นพื้นที่ขัดไปเรียบร้อยแล้วมีอะไรตกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ทําให้เป็นจุดด่างขึ้นในพื้นเหล่านั้นได้หรือเหมือนผ้าขาวสะอาดที่แม้มีจุดดาเพียงนิดเดียวก็ทําให้เด่นชัดขึ้นใจใจของบุคคลที่ปฏิบัติอนาปานาสติก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะเป็นจิตที่ประณีตเป็นจิตที่ละเอียดมากไม่ปรารถนาที่จะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เป็นค่าศึกต่อความประณีตต่อความละเอียดเหล่านั้น และจะมีความตั้งมั่นดำรงอยู่ในสมาธิได้ก่อให้เกิดเป็นความเยือกเย็นยิ่งกว่ารถด้วยน้ำเพราะเป็นความเยือกเย็นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่จริงความยือกเย็นนั้นใจเป็นตัวรับรู้เพราะเป็นเวทนาประการหนึ่งแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอนาปานสติเป็นความเยือกเย็นที่เข้าถึงจิตใจจริง และผลที่บุคคลจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าจิตใจมีกําลังกล้าแข็งขึ้นมีภูมิต้านทานต่ออารมณ์สูงขึ้นก่อนที่จะประพฤติปฏิบัติกรรมฐ า, านนั้นอารมณ์บางอย่างที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาผ่านมาทางประสาทสัมผัสจะมีความรู้สึกไวต่ออารมณ์เหล่านั้นทั้งในด้านชอบและด้านชัง เนื่องจากการปฏิบัตินาปาณสติกมฐานเป็นกรรมฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สติระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกซึ่งก็เป็นไปได้เร็วเป็นการฝึกปรือการใช้สติของบุคคลให้เร็วขึ้นเมื่อสติเร็วขึ้นเวลาไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อื่นก็เร็วขึ้นสติที่ทำหน้าที่เป็นตัวระลึกอารมณ์เหล่านั้นก็ระลึกรู้ได้เร็วอย่างที่เคยกล่าวในวันก่อนว่าเป็นสติเนป ก, กะคือสติที่คุ้มครองรักษาตน เป็นอาการของสติและปัญญาที่ทำงานผสมกลมกลืนกันสนับสนุนกันกลายเป็นความระลึกรู้แต่อารมณ์เหล่านั้นได้เร็วเมื่อระลึกรู้ได้เร็วก็ตัดสินอารมณ์ได้เร็วเมื่อเห็นว่าอารมณ์อะไรที่เป็นค่าศึกก็มีปฏิกิริยาตัวอารมณ์เหล่านั้นในทางปฏิเสธอารมณ์เหล่านั้นก็ตกไปจากจิตคือกลายเป็นความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทำนองเดียวกับประสาทอัตโนมัติบางอย่างซึ่งคนบางคนก็ไม่ทันคิดอะไร แต่ประสาทเขาก็ทำของเขาไปแล้วจิตใจที่ได้ฝึกปรือมาด้วยอารมณ์ของอนาปานสติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทำให้อกุศลต่างๆซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วก็คลุกคลาวอยู่ภายในจิตใจมีอิทธิพลต่อจิตใจในสมัยก่อนนั้นก็ต้องตกไปจากจิตใจเพราะสติและสัมปชัญญะเกิดขึ้นในเวลารวดเดียวด้วยการระลึกรู้แล้วก็ตัดสินอารมณ์เหล่านั้น และยิ่งไปกว่านั้นตัวสติที่อาศัยการเจริาณาปานาสติกรมาฐานซึ่งเกิดขึ้นรวดเร็วว่องไวทันต่อกรณีนั้นๆบางครั้งบางคราวก็ปิดกั้นกระแสของอารมณ์เชียได้แก่ไม่มนสิการต่ออารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นตัวการสาคัญอยู่จริงๆก็อยู่ที่มนสิการ คือการใส่ใจหรือไม่ใส่ใจถ้าหากว่าสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกดินกายของบุคคลโดยปกติก็มีอยู่ทุกวันก็มีอยู่เป็นอันมากเสียด้วยแต่อารมณ์เหล่านั้นจะมีอิธิพลต่อใจของบุคคลหรือไม่ก็อยู่ที่มานสิการคือใส่ใจหรือไม่ใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจก็อะไรก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดใส่ใจก็จะเกิดขึ้นทางด้านบวกและด้านลบ แต่เมื่อตัวสติกับสัมปชัญญะเข้าไปทำหน้าที่เป็นมนสิการที่เองที่จริงตัวมนัสสิการก็คือตัวสัมปชัญญะหรือตัวปัญญานั่นเองก็จะสามารถตัดสินวินิจฉัยอารมณ์แล้วก็ตัดอารมณ์จนถึงก็ปิดกั้นอารมณ์ไปได้นี่เป็นผลที่บุคคลสามารถจะเห็นได้ในปัจจุบันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่านั่งกาหนดอนาปานสติอยู่เพียงวันสองวันแล้วผลตังกล่าวก็จะเกิดขึ้น แต่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปฏิบัติกระทาโดยสืบเนื่องกันการปฏิบัติกรรมาฐานจะเกิดผลเร็วหรือช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักอยู่สองประการประการแรกคือบารมีธรรมที่บุคคลได้สร้างสมบปรมเอาไว้ซึ่งข้อนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระยาบุคคลในสมัยพุทธกาลที่มาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าบางองนั้นเกิดขึ้นได้เร็วหลือเกิน แต่บางองค์ก็เกิดขึ้นได้ชาบางองค์เพียงชั่วระยะเวลาที่ใช้คําว่าระหว่างพัดคือเขามานิมนต์ไปฉันอาหารแล้วก็นั่งเจริญกรรมาฐานอยู่กว่าจะถึงเวลาฉันอาหารท่านเจริญกรรมาฐานบรรลุมรรคผลไปแล้วที่เรียกว่าเป็นการบรรลุอรหัตระหว่างพัฒนาหารเท่านั้นแต่บางองค์ต้องใช้เวลาในปัจจุบันมากเป็นพิเศษตั้งหลายปีแม้แต่คนระดับพระานนท์เทระเองก็ต้องใช้เวลาตั้งหลายสิบปีจึงบรรลุได้ จึงมาลุกราหัตเป็นประหารได้ทันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการกระทําในปัจจุบันเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งของบุคคลก็มาฐานที่ทรงสแสดงไว้จึงมักจะใช้การปฏิบัติในปัจจุบันเป็นตัวคุมเอาไว้เพราะเรื่องของอดีตบา ร, รมีในอนดีตนั้นเราก็ไม่รู้ว่าบา ร, รมีเราสร้างสมบรมมาเท่าไหร่แต่ถ้าสร้างเหตุสร้างปัจจัยในปัจจุบันให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นถ้าบา ร, รมีมาก ก็บรรลุเร็วขึ้นบารมีน้อยก็บรรลุช้าขึ้นแต่แน่นอนที่สุดคือผลจากการปฏิบัติธรรมะจะต้องเกิดขึ้นซึ่งหลักเหล่านี้ก็เป็นหลักทั่วไปเหมือนการตั้งสร้างหลักฐานของบุคคลในการครองเรือนมีความมั่งคั่งมั่นคงทางเศรษฐกิจมันก็อยู่กับต้นทุนเดิมของมารดาบิดาที่มอบให้ถ้ า, ากว่าเกิดมาในฐานะสกุลที่ยากจนคือมีสมบัติติดตัวมาน้อยหรือว่าบางทีก็ไม่มีเลย แต่อาศัยความเพียรพยายามในปัจจุบันด้วยความมั่นขยันด้วยความตั้งใจจริงก็จะตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานได้แต่ก็ต้องใช้เวลามากหน่อยส่วนคนที่เกิดมาในสกุลร่ํารวยที่เรียกว่าเกิดมาบุญกองเงินกองทองจะเพิ่มความมั่นขยันขึ้นในปัจจุบันโอกาสที่จะร่ารวยก็เร็วเข้าแต่ในที่สุดก็คือร่ํารวยได้เช่นเดียวกันปัจจัยในอดีตเป็นเรื่องที่เราไม่รู้แต่ปัจจัยในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่บุคคลสามารถสร้างขึ้นแล้วก็ควบคุมให้ดําเนินไปได้ ตามที่ตัวต้องการและยิ่งไปกว่านั้นยังทรงแสดงไว้ว่าอาณาปานสติที่บุคคลอบรมกระทําไม่มากแล้วเป็นธรรมที่มีผลมีอานิสง์มากเพราะอะไรเพราะเป็นฐานเป็นเหตุเกิดของคุณธรรมความดีในด้านอื่นๆ อ, อย่างที่ทรงแสดงไว้แก่พระอานนุ์ <c oughs> เป็นทํานองที่เรียกว่า <c oughs> กเทตุกรรมยตาปุจชา คือแสดงให้คิดให้ตอบคําถามแล้วในที่สุดก็จะตอบให้เองโดยรับสั่งว่าดูกรอนนท์ทำรรอย่างหนึ่งที่บุคคลอบรมกระทําให้มากแล้วย่อมทําธรรมะสประการให้บังเกิดขึ้นธรรม4ประการที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วย่อมทำธรรมะเประการให้บังเกิดขึ้นธรรม7ประการที่บุคคลอบรมกระทําให้มากแล้วย่อมทําธรรมะสประการให้บังเกิดขึ้น กรณี้พึงสังเกตว่าทุกขั้นตอนแห่งการปฏิบัตินั้นจะทรงใช้คําว่าอบรมกระทําให้มากอบรมกระทําให้มากอยู่เรื่อยไปบาลีใช้คําว่าภาวิตาปรุรีกรตาคืออบรมกระทาให้มากเพราะในชั้นของการปฏิบัติจริงๆเรื่องของปริยัติก็คือเรื่องของปริยัติเรื่องการปฏิบัติไม่จําเป็นจะต้องมีมากมายอะไรนักหนาขอให้เริ่มต้นที่ตัวกุศนลนธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง และในที่สุดก็วนธรรมเหล่าอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเจริญเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นพระธรรมเทศนาที่ทรงสดแสดงไว้ในตอนนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นที่ทรงใช้คําว่าทำอย่างหนึ่งที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วย่อมทําธรรมะสี่ประการให้บังเกิดขึ้นนั่นก็คืออะไรก็คืออาณาปานสติกรรมฐานที่บุคคลอบรมกระทําให้มากแล้วย่อมทําสติปัฏฐานสประการให้บังเกิดขึ้น ซึงจะเห็นว่าเริ่มต้นที่การกําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกยาวสั้นนั่นเองปฏิบัติไปปฏิบัติไปพอสติไม่พลากไปจากลมก็เปลี่ยนเป็นการกําหนดรู้กองลมคือการตั้งขึ้นแห่งลมที่กําหนดจุดเป็นสามฐานคือที่ปลายจมูกที่หัตัยที่เหนือนาพีเป็นสามฐานอย่างที่วาดมาแล้วต่อจากนั้นก็กําหนดรู้ความสงบระ ง, งับของกายสังขารคือลมหายใจที่ละเอียดออกไปจนถึงบางคราวก็ดับไป ทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติบางคนตกใจว่าน่าจะมีอันตรายแก่ตนเองเพราะไม่มีลมหายใจและอาจจะเลิกปฏิบัติไปเป็นต้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอนาปานสติกรรมฐานคือกายสังขารได้แก่ลมหายใจส ง, งบระ ง, งับลงไปแสดงเห็นว่าผู้ปฏิบัตินั้นดาเนินมาถูกต้อง แล้วต่อจากนั้นก็ทรงกําหนดสอนให้กําหนดดูสุขดูปิติดูความสงบของจิตใจเป็นต้นที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นทั้งหมดนั้นที่จริงก็เป็นอาการของเวทนาในเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนั่นเองและเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปไปถึงจุดหนึ่งก็ทรงสอนให้ดูจิตทําจิตให้เพลิดเพลินควบคุมจิตใจเปื่อง กิเลสอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมันก็กลายเป็นการศึกษาในเรื่องจิตตาโุปัสสนาสติปัฏฐานต่อจากนั้นก็ให้กําหนดดูความคลายความเหนื่อยหน่ายความคลายกำหนัดความปราศาจากกิเลสเป็นต้นที่ปรากฏขึ้นภายในจิตมันก็กลายเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจากนั้นเริ่มต้นจริงๆก็คือเริ่มเทียนาปานสติ แต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปสูงขึ้นสูงขึ้นก็จะกลายเป็นปฏิบัติสมบูรณ์ในสติปัฏฐานผสมบูรณ์ในสติปัฏฐานก็ก่อให้เกิดเป็นธรรมะเจประการขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือได้แก่โพชฌงทั้ง7ประการที่เป็นข้อปฏิบัติทําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติจะัตยรู้ตามพระผู้มีพระภาคย่าโพชฌงจึงแปลว่าองค์ธรรมที่จะนําผู้ปฏิบัติให้สัตรู้ตามพระผู้มีพระภาคย่า แต่ถ้าเรามองดูองค์ธรรมจริงๆแล้วก็คือสติธรรมะวิจัยกับความเพียรสามประการนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าได้แก่ปริมาณของสติของอาตาปีสัมปชาญโณสติมาที่เริ่มไว้ในตอนต้นของประสศุดนั่นเองอาตาปีก็คือความเพียรที่เขาเผากิเลสให้ร้อนก็คือวิริยะสัมโพชงคือความเพียรที่มีปริมาณสูงขึ้นสูงขึ้นจนกลายเป็นองค์แห่งธรรมเครื่องศัจโร สติมาก็คือสติสัมโพชฌงก็คือสติมาที่ทรงแสดงไว้ในตอนตอน้นความมีสติที่สมบูรณ์ขึ้นมันก็กลายเป็นสติสัมโพชฌงกลายเป็นสัมมาสติในองค์มากธรรมวิจัยก็คือการพิจารณาสอดส่องซึ่งธรรมนั้นก็คือสัมมาสังกประความดําริชอบเลือกวิปัสสนากรรมาฐานและสัมมาทิฏฐิที่บุคคลประพฤติปฏิบัติแต่มีปริมาณสูงขึ้นสถานะของสิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไป องธรรมะก็เรียกแตกต่างกันออกไปแต่ที่จริงแล้วพื้นมันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่การประพฤติปฏิบัตินะต่อจากนั้นก็มีปีติมีปัจสธิมีสมาธิมีอุเบขานั่นก็คือหลักของกิตติกขาที่ได้แก่ความพยายามชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบนั่นเองดังนั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติไปปฏิบัติไปที่จริงธรรมะที่เริ่มต้นนั่นเองก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและชื่อก็เปลี่ยนไปเรื่อย ในที่สุดมันก็กลายเป็นองค์อริยมรรคทั้ง8ประการเมื่อการปฏิบัติถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็เกิดเป็นวิมุตตคือจิตหลุดพ้นซึ่งก็มีอยู่สองประการได้แก่เจตวิมุตติกับปัญญาวิมุตตเจตวิมุตตนั้นคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสดยการเริ่มต้นที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานก็ได้ข้อหนึ่งก็ตา ม, ตามจนบรรลุฌานและเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลไปในที่สุด ปัญญาวิมุตตก็คือการใช้ปัญญาพิจารณาขาน้าเห็นตามความจริงแห่งประไยรักแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางความยึดความติดในขันตั้งห้าเหล่านั้นก็ย้อนกลับเข้าไปสู่องค์อริยมรรคเช่นเดิมในที่สุดก็เกิดเป็นสมายานะคือความรู้ในทางที่ชอบขึ้นจิต ก, ก็หลุดพ้นจากกำหน ด, ก, ดกิเลสกลายเป็นสมาวิมุตต เพราะฉะนั้นกุศลและธรรมทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะเริ่มในจุดใดก็ตามแต่จะมีจุดบรรจบในที่เดียวกันถ้าหากว่าไม่หลงทางซสียก่อนก็คือจะมาสรุปรวมลงที่องค์อริยมรรคทั้ง8ประการดังที่เคยกล่าวมาแล้วหลายครั้งแม้อนาปานสติเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เจโตวิมุตติคือหลุดพ้นโดยอนาจแห่งใจ และปัญญาวิบลดคือความหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งปัญญานั่นก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมถกรรมาฐานและวิปัสสนากรรมาฐานนั่นเองซึ่งการปฏิบัติธรรมะตามไตยยนี้ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็อยู่ที่ว่าผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามกําหนดจิตให้อยู่ที่ปัจจุบันเท่านั้นแม้จะทรงสแสดงจุดหมายปลายทางไว้ไกลเหอเกิน น่าชื่นชมน่ายินดีมีความสุขมีความสงบมีความปีติประโมดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเหล่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงส่วนเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานไม่ว่าจะใช้อารมณ์อะไรมาเป็นตัวกำหนดลึกหรือกำหนดพินิจพิจารณาก็ตามท่านเน้นอยู่ที่ตัวปัจจุบันธรรม คือธรรมะที่มีอยู่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอย่างที่ทรงแสดงไว้เห็นประจักษ์ชัดในอารมณ์นั้นๆโดยเฉพาะการเจรนาณาปานสติกรมฐานที่ได้ศึกษาปฏิบัติสืบต่อกันมาจะเห็นได้ว่าท่านก็จำแนกรายละเอียดออกไปโดยพิจิตตพิสดารใครจะเริ่มต้นที่ตรงไหนก็ได้เริ่มต้นที่คาว่าคันาคือการนับลมหายใจเข้าออกอย่างที่ทราบกันแล้วก็ได้ หรือจะใช้หลักของอนุบันธนาคือตามลมหายใจเข้าและลมหายใจออกไปก็ได้หรือว่าจะใช้พุทนาคือดูจุดที่ลมกระทบในขณะนั้นๆแต่การดูจุดที่ลมกระทบนั้นจำเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนมาพอสมควรเพราะว่าจิตโดยปกติก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายกัดแกงไปในอารมณ์ต่างๆจะจับปับให้อยู่นิ่งเลยนั้นก็คงจะทาได้ยาก วิธีต่างๆนั้นจึงเป็นอุบายยวิธีที่จะค่อยๆดึงจิตให้คุ้นเคยกับความสงบมาโดยลำดับไม่มีลักษณะที่พูดพลาดพุนพันเพราะการกระทำในลักษณะที่พูดพลาดพุนพันนั้นจิตจะเกิดความสงบไม่ได้และในที่สุดบางคราวก็จะไปกันใหญ่โตคือคุมให้มาสู่ความสงบได้ยากก็าทำนองเดียวกับในการที่จะ ให้เด็กรับประทานยาอะไรต่ออะไรเนี่ยคือนิ่นงๆจะจับแกให้รับประทานทันทีทันใดไม่ได้ก็ต้องมีอุบายวิธีสร้างความเป็นกันเองคุ้นเคยการยอมรับไปบังเกิดขึ้นไปในจิตใจของแกเสียก่อนแล้วจึงให้รับประทานยาไปในทีหลังการปฏิบัติกรรมฐานก็คือการพยายามฝึกปรือการพยายามอบรมจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้น การกำหนดดูจุดที่ลมกระทบซึ่งในปัจจุบันอาศัยแนวของพุโทโธที่จริงก็คือคล้ายๆกับลมกระทบนั่นเองแต่เป็นเรื่องคนละแนวกันพระพุทโธนั้นอยู่ที่ตัวนามธรรมา ท, ที่ใจไปกำหนดระลึกถึงคำว่าพุโทโธอยู่ส่วนการดูจุดที่ลมกระทบนั้นลมกระทบชัดในจุดใดจะเป็นช่องจมูกจะเป็นริมฝีปากหรือว่าจะเป็นปลายจมูกก็ตา ก็ตั้งสติระลึกอยู่ในจุดนั้นแล้วบางครบางครั้งก็เรียกว่าทั ป, ปนาคือตั้งสติเกาะอยู่ในจุดใดก็ตามคือนิ่งอยู่ในจุดนั้นตับางทีก็ไม่ต้องไปกำหนดอะไรแต่ให้นิ่งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งไม่ให้แว่งไปในอารมณ์ต่างๆก็่ะให้เกิดเป็นความส ง, งบขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเ่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีดังที่กล่าวแล้ว พอสำคัญว่าทำด้วยวิธีใดแล้วจิตใจมีความสงบขึ้นก็ให้ทำด้วยวิธีนั้นทุกวิธีจะมีจุดหมายปลายทางเป็นนันเดียวกันคือความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจและจะผ่านขั้นตอนดำเนินไปตามหลักที่เคยแสดงมาแล้วรเรื่องของสมาธิก็คือเรื่องสมาธิพูดไปพูดมามันก็จะมาเข้าทีแนวของคณิกสมาธิคือสงบชั่วขณะหนึ่งอุปจารสมาธิ ความสงบสูงขึ้นและอปนาสมาธิความสงบแน่แน่ต่อจากนั้นก็จะเดินไปตามฌานแต่กว่าจะเดินไปถึงจุดนั้นกว่าจะมีปัญหาที่จะต้องศึกษาจะต้องทำความเข้าใจเช่นนิมิตเช่นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าปรากฏเป็นอะไรขึ้นมาก็ตามบุคคลจะต้องมานัศิการว่านั้นคือสิ่งที่ต้องผ่านเท่านั้นไม่ใช่เป็นจุดหมายปลายทางที่แท้จริงแล้วไม่หยุดความเพียรพยายาม ในที่สุดผลที่ตนปรารถนาะก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป